ราชอมองคลธัญบุรีเอฟเอ็ม 8.5 เมกะเฮิร์ตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิปปตพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชอมองคลธัญบุวรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิง อ, อนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่าหนึ่งร้อยสายพันธุ์ทั้งบัวพันธุ์ไทยหายากบัวต่างประเทศบัวลูกผสมรวมถึงบัวสายพันธุ์ใหม่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 หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบบวัวไม่ควรพลาดเชิญชมได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บวัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องทเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใกล้กรุงเปิดบริการตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงจันทร์ถึงศุกร์โทรศูนย์สองห้าสี่เก้าสามศูนย์สี่สามหรือที่เวอร์ไวยเว็บดอทโลตัสดอทอาร์เอ็มยูทีทีดอทเอซดอททีเอช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 ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ My Computer ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ My Computer นะคะดารศา ต, รตระกุนเงก์ค่ะและคุณปีพงศ์เขนทวายนั่นเองสวัสดีครับผู้ฟังงานในช่<อ>วงเวลานี้อรุณสวัสดิ์เช้าตรู่นะฮ ะ, ะของวัน เช้าวันเสาร์ใช่ยังอยู่เวลาเดิมยังอยู่เหมือนเดิมใช่วันเสาร์ใช่ค่ะทีนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะฟีเจอร์ต่างๆรวมไปถึงการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเราค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็เข้ามาในหน่วยงานต่างๆแหละมากันเยอะนะฮะนี่ก่อนหน้านี้เนี่ยใครที่ใช้ชิมชิมชอบใช้กันไปเนี่ยเขาจะมีเฟสสองเฟสสองแต่ก่อนหน้านี้ใครที่ใช้ไอโอเอสนะทำไมคะต้องบอกว่า คนที่แบบว่าอะไรนะไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะคุณหมดแล้วนะไอโฟนเท่าไหร่นะหกใช่ไหมหกพันหกใช่ไหมหกตั้งแต่หกลงไปไหมนะทีมทีมทีมโบนิสของเราทีมทีมโคโคโปรโคโปรของเราบอกว่าอะไรนะหกลงไปหกลงไปนะไม่ได้ใช่ไหมบอกว่ามีการค่าการว่าไอโอเอสโหดมากเลยนะนี่ล่าสุดนี้เขาบอกว่านี่เพิ่งเพิ่งปล่อยตัวแล้วก็บอกจะจองอะไรกันใหม่นะอะไรนะตัวใหม่หรอตัวใหม่ตัวใหม่อะไรนะไอโฟนสิบเอ็ด ใช่แน่ไม่ค่อยได้ตามตอนนี้ก็ต้องขออภัยตอนนี้ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อย ค, อ <2011 S 1> คือวัฒ น, นธรรมออตอนนี้ในเรื่องของการตลาดคุณไปแชร์กันเล็กน้อยคุณวัฒนธรรมความศรัทธา แบรนด์เนี่ยแบรนด์รอยตีฉันต้องใช้อันเนสทุกทุกอย่างก็เป็นอันมีแล้วอ่ะรู้สึกมันไม่ค่อยมีแต่ก่อนมันใช่คือฉันใช้อ๋อเจ้านี่นะทีวีฉันจะซื้อทุกวันนี้นะฉันต้องเครื่องสักค่ะคือมันจะมีอยู่อยู่ช่วงระยะหนึ่งที่คุณเคยจัดรายการไอซมีเนาะเขาก็จะพูดถึงแบรนด์รอยตีว่าความพักดีในไอแบรนด์ในความที่แบบเราต้องใช้แบรนด์นี้สมมติว่าเป็นในเครือแอปเปิลหมดเลยทุกคนก็แบบไอแอปเปิลมันก็จะมีความรอยตีของมันอยู่แล้วเพราะถ้าสมมติคุณใช้โทรศัพท์ คุณต้องใช้ของของที่เป็นของของเขาหมดเลยใช่รวมไปถึงสมมติว่าจะเชื่อมต่อกันก็ต้องเป็นแม็กแม็กเหมือนกันแล็ปท็อปอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยภาษาเดียวกันด้วยเรื่องแต่แต่ละคือณปัจจุบันคือความความพักดีต่อต่อแบรนด์เองเนี่ยในมองเรื่องการตลาดมึงฟังนะเราพูดถึงการตลาดนี่คือคนก็มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกมากที่สุดหรือว่าในแบรนด์อื่นมันก็ แบบว่าขยับตัวเองขึ้นมามทำให้เทียบเท่าเทียบเคียงกันเกือบหมดแล้วตอนนี้มันก็เลยเป็นโจทย์ยากนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบพี่แบบว่าจะาเป็นเจ้าของแบรนด์จะทำอยัางไงให้ลูกค้าอยู่กับเราะะแต่ก็สามารถแบบ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนต่อฐานลูกค้าตลอดเวลามีเขาเซลล์ด้วยนะในทวิตเตอร์มีการเซลล์บอกว่าจริงๆแล้วไอโฟนมีมีสิ่งที่ดีที่สุดคือเคสค่ ะ, ะอันนี้เซลล์แรงเซลล์แต่ว่าแรงนะอ้าวไม่รู้ว่าอย่างไรนะฮะแต่ว่าก็เป็นความชื่นชอบแ ล, ะแล้วก็บางคนก็บอกว่าอยากจะสัมผัสคือคือต้องบอกว่า ความถนัดในการใช้ระบบปฏิบัติการความเสถียรของเขาก็ต้องยอมรับนะในส่วนของการทำงานอันนี้ก็ต้องยอมรับหลังจากที่จากที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้แต่ว่าแต่ฉันว่าสี่ดีสุดนั่นแหละเป็นรุ่นแรกที่เราไม่นั่นหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ใช้ไงก็เลยไม่รู้ไงเราใช้แอนดรอยก็เลยบอกว่ามาอยู่ที่แบบกลุ่มกลุ่มตระกูลแอนดรอยสักนิดหนึ่งนะฮะอ้าวก็ถือว่าก็ก็รู้สึกว่าเราใช้งาน คือพอถึงชุดหนึงแล้วจะรู้ว่าเราใช้งานอะไรบ้างเนี่ยบางทีมันก็นี่ฉันก็ใช้มาสองอย่างเหมือนกันเหมือนคุณคือ iPhone โดดมาก<ช>่อนใน<ต>ช่วงยุกแรกก็จะแบบเปลี่ยนโหมดเอ ใช้ยังไงนะกดแบ็กกดแบ็กในไอโฟนแต่ไม่ไปไม่สมัยก่อนมันไม่เหมือนกันหลังๆมันเหมือนกันอะไรไงกดแบ็กได้เหมือนกันเออนะฮะอ้าวมาที่คุณบอกว่าพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันมันเริ่มจะเข้ามามีผลกับหน่วยงานภาครัฐกันมากขึ้นปปงออะไรนะดูแลเรื่องของเกี่ยวกับตรวจสอบเรื่องของเงินใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าเทคโนโลยีเองเนี่ย มันทำงานได้ง่ายขึ้นเขาเลยมาดูเรื่องของการทำนึกว่าไอ้นั้นเขาก็เลยตรวจสอบตรวจสอบได้ง่ายขึ้นด้วยด้วยส่วนหนึ่งไม่ไม่คือการตรวจสอบได้ง่ายขึ้นความหมายคืออะไรเฮ้ยคุณในสาพร้อมเพย์ไว้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยมันก็แบบว่ามันเป็นเทอร์เรียเนาะเราคือมันมันหาตัวตนได้ง่ายขึ้นแล้วไงใช่คือปกติจะแบบเราจะต้องมีเอกสารไปยื่นจะต้องเป็นเพเปอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะคุณทีนี้ไม่ต้องแล้วในเมื่อเราเรามีการ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาในเรื่องของชีวิตประจำวันรวมไปถึงในการโอนเงินเราจะพูดถึงการโอนเงินนะคะครับอย่างคุณพูดถึงพรอมเพรย์เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาให้ความสะดวกสบายกับเราโอนข้ามธนาคารจะข้ามกี่ครั้งอะไรก็ได้หลายคนบอกว่าเฮ้ยยังไม่ผูกหลอกหรือไม่ทำอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกระแสพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมมันจะถูกเกลื่อนเงินไปบางครั้งอุ้ยจำได้ไหมว่าคุณผูกเพราะชิมชอบใช้อะไรก็ว่า S <S เอ้ยเรียกภาษีฉันหรือเปล่าไป อ, อีกแล้วกร ะ, ะแสแบบนี้คือคนจะกลัวเรื่องของการเสียภาษีค่ะใช่ใช่คือแบบจะเรียกภาษีฉันย้อนหลังไหมแบบอุย้ยตามตา ม, ตามหาฉันเอจ、er、เอหรือเปล่าเพราะช่วงหนึ่งจำได้ไหมค ะ, คะว่าอ่าคุณบินมาลือฤทธ์เองที่เปิดบัญชีแล้วก็บอกว่าพูดถึงหรือแบบจะโดนเรียกบัญชีหรือเปล่าอะไรเขาก็มามาแถลงบอกว่าเอ้ยตัวนี้มันไม่ใช่เรื่องการทำธุรกิจคือเขามีจุดประสงค์อย่างชัดเจนเหมือนที่ออกมาก็ส่งต่อไปไม่แสวงหาผลกำไรใช่นะคะไม่ใช่เหมือนว่า ผมทำร้านค้าอยู่มีออนไลน์มีแบบสั่งมาสี่อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเชิงบิสเนสไงเป็นธุรกิจแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขนะว่าเงื่อนเงินเข้าไหลเข้าบัญชีเท่าไหร่การโอนแบบนี้เขาบอกว่าข้ามประเทศใช่ไหมต้องข้ามประเทศด้วยนะเขาบอกว่าเกินห้าหมื่นจะโดนตรวจสอบจับตามองคนทําคือถ้าเกินห้าหมื่นนั่นหมายความว่าคุณทําธุรกิจแล้วแหละคือต้องดูอะบางทีอาจจะแบบอย่างเช่น น้องน้องคุณน้องคุณอยู่ที่ต่างประเทศเออจะโอนเงินไปให้เออจะโอนเงินไปให้เพราะบางทีตอนนี้คือมันจะมีบัตรบัตรที่บอกว่าสามารถจะต่างประเทศได้หรือบางทีบางคนไปเรียนต่างประเทศเปิดธนาคารไว้โอนไปอย่างเงี้ยอ่าถ้าบอกว่าเออไปเรียนอ่าโอเคแม้เท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่า ไปอยู่ที่นั่นล่ะทำงานไปที่นั่นทำงานมีมธุรกิจไห ม, ยมแล้วก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงิน อ, อะไรอย่างเงี้ยคือเจตนารมณ์จริงๆที่แท้จริงของกฎหมายเนี้ยทางสำนัก ง, งานปาปงเองเนี้ยจริงๆเขาเน้นย้ำในเรื่องของสถาบันการเงินที่ให้บริการอโอนเงินแล้วก็รับอโอนเงินค่ะคุณเป็นเส้นทางอิเล็กทรอนิกส์แบบที่คุณบอกอันนี้ข้ามประเทศนะมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป ต้องมีข้อมูลของผู้โอนเงินผู้รับโอนด้วยแล้วก็<ม>ซึ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินนะคะที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลก็คือชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลขบัญชีของทั้งผู้โอนแล้วก็ผู้รับนะคะอันนี้เป็นเป็นคร่าวๆก่อนนะ เพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงินเองนะคะที่จะต้องโอนเงินให้กับผู้ผู้รับปลายทางเนี่ยแหละโดยถูกบุคคลแล้วก็ตามคำสั่งของผู้โอนต้นทางอันนี้เบื้องต้นที่เขาจะตรวจสอบนะคะมีเน้นย้ำเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าน่าจะเป็นในเรื่องของประชาชนก็กังวลอย่างที่คุณบอกกังวลในเรื่องของการโอนข้ามประเทศห้าหมื่นไปต่างประเทศเนี่ยแหละคือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่คุณแจ้งไปว่ า, าถ้าสมมติฉันจะโอนหนึ่งแสนนะ่ะไม่ได้หรอจะโดนตรวจไหมล่ะมันก็แล้วแต่ จุดประสงค์ของแต่ละคนอีกใช่ก็ต้องดูอีกนิดหนึ่งคือเข้า จ, ะจัดจะเช็คว่าการเอาเงินออกนอกประเทศการเอดเงินไปเพื่อไปใช้จ่ายเนี่ยไปใช้ในกรณีอะไรเช่นไปเรียนต่อไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น คืออ่ะคุณโอนตลอดไหมบางท่านเอาเรื่องไหมถ้าโอนเงินไปต่างประเทศอ่ะมันจะต้องมันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่แล้วใช่ไหมใช่มันต้องเสียอยู่แล้วแต่กระบวนการเส้นทางคือการโอนเงินไปเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมเนี่ยเขาก็มองเพื่อป้องกันการเขาบอกเพื่อเอาท่ามองนี่คือการฟอกเงินการเอาเงินไปทำผิดกฎหมายหรือก็ไปทำแบบสิ่งที่แบบเหมือนอย่างนี้คือ กลุ่มกลุ่มที่มาอาเลยนะมิชชั่นชีพอะที่แบบมารอโอนเงินค่าประเทศใช่ไหมเงินเสร็จปุ๊บก็อาได้เงินมาแล้วก็โอนโอนโอนท่าไปต่างประเทศอะไรเงี้ยอันนั้นแหละก็เป็นการป้องกันในอีกรูปแบบหนึ่งเขาเขาแค่แค่ไม่ต้องกลัวนะตรวจสอบเฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรนี่อีกตัวตัวหนึ่งคือถ้าพูดถึงเรื่องของธุรกรรมการเงินสักหน่อยนึงนะถ้าเราไปธนาคารตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเซ็นหลังบุ๊กแล้วนะ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 แน่น่าโคจะมีแบบว่าไม่ต้องมีเล่มไหมคือจริงจริงมันไม่มีอยู่แล้วไงคืออันที่จริงแบบดูละบาทมากเลยอ่ะเลยนะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบทรานเฟอร์แบบตัวที่เป็นแบบการใช้แต่ถามว่าอะไรจริงติดไหมติดคืออ่ะจริงติดนิสัยต้องไปอับอับเล่มอับบุ๊กเงี้ยผมเนี่ยผมเพิ่งไปเนี่ยเพิ่งที่จริงนะคือบางทีเรากดร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยไม่ได้ทำธุรกรรมโอนไปโอนไปโอนมาอะไรเงี้ย คือมันก็แบบอ่ะจุดขึ้นตลอดเราก็ต้องไปเปลี่ยนเล่มอะไรเงี้ยแล้วก็แต่วิธีการคือเขาก็บอกว่าตอนนี้ธนาคารก็ทำเป็นแบบไอแบงกิ้งมีแอปพลิเคชันคุณสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ได้แล้วคุณเข้าไปดูแล้วแต่บางทีมันคือเอาอารมณ์แบบประมาณว่าถ้าเราอุ่นใจถ้าเราปริ้นออกมาเนี่ยใช่ไหมมันไม่ครบป่ะครบใช่ไหมแต่ว่าใช่ไหมอย่างเงี้ยคือเราก็อยากให้แบบ คือปลิ้นเองอ่ะอารมณ์ของเราปลิ้นเองอ่ะมันก็ไม่เหมือนแบบให้อารมณ์ไม่เหมือนกับไปขอที่ธนาคารมันก็ไม่อุ่นใจกับการที่แบบเอ้ยเป็นสมุดบัญชีที่หนึ่งที่สองเข้าใจเข้าใจเนี้ยคือคือก็แต่ในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่แน่ใช่ไหมคือจริงจริงก็ถ้าทำได้ก็ก็ดีให้มันเติมสมุดมันสมุดได้คือเข้าไปอยู่ในสมุดว่าทุกคนใช้อยู่แล้วในอนาคตนะต้องทุกคนต้องใช้อยู่แล้วแหละอาจจะไม่ไม่นับ ส่วนที่เป็นผู้ชราอะไรอย่างนี้นะที่แบบโอนเงินไม่เป็นผ่านโทรศัพท์มือถืบอบางคนไม่ค่อยได้ใช้แล้วอ ะ, อะไรอย่างนี้ทุกคนก็แบบไม่ไม่ได้อัพบุ๊กก็มีบ้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ฝากธนาคารด้วยเผื่อแบบอยากจะให้ความสะดวกสบายมากขึ้นแม่บางคนเขาบอกว่ า, <laughs> วามี ม, มีมีตัวที่แบบดูจักรเน็ตได้อะไรเงี้ยแล้วก็ความสะดวกคือก็คุณก็เอาสามารถที่จะเฉพาะวันของคุณได้อ่าอะไรเงี้ยแต่ก็ ในกรณีที่คนที่ทำธุรกรรมนะอันนี้มองมองภาพนะว่าบางทีคนต้องแบบใช้เอกสารตัวนี้ไปไปยืนยันกับกับสินเชื่อคุณจะไปยืมบ้างยืมเงินมันก็ต้องใช้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ต้องไปขอที่ธนาคารสองร้อยบาทเสียเงินสองร้อยบาทไหมท่ามไปแต่ไม่เพิ่งไปเจอมาไงก็แบบเออแบบเคยไปเจอสองครั้งแล้วที่ต้องเปลี่ยนสมุดแต่ท่าแบบไม่เบียดละวันนี้ไม่เบียดละเสียเวลามากเลยแบบคือมันใช้เวลาไงคุณคือนอกจากเราต้องไปเคาน์เตอร์เพราะว่าบางทีมันต้องใช้เอกสารบางทีทำงาน ทำงานธุรกรรมบางอย่างเนี่ยมันจะโอนแบบเออโอนแบงกิ้งไม่ได้มันต้องแบบมีเอกสารอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอ่ะมันก็จะเป็นที่ต้องแบบใช้เป็นเงินสดอยู่คุณต้องแบบเอออย่าต้องได้แลกแบงแบงพันแบงห้าร้อยแบงร้อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องใช่ไหมคือมันกดตามตู้อ่ะอ๋ออยากจะได้แบบแบงร้อยต้องกดสี่ร้อยก่อนกดสี่ร้อยบางคนบอกว่าทำแบบเดียวกันนะฮะไปดูเรื่องราวนี้กันสิหนึ่งเราจะยิงยาวเลยนะค่ะ เอาดูเรื่องอะไรดีไป<า>ที่แอปเปิลไห ม, มเราเราเปิดแอปเปิลแอปเปิลมาสักช่วงแรกไปแอปเปิลเองจะมี เทนเซนเซฟนะฮะเบราว์เซอร์เบราว์ซิงนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบป้องกันเว็บที่อาจจะเข้ามาอันตรายบนซาวฟอรี่นะฮะในไอโอเอสสิบสามอ่ะบอกก่อนเทนเซนเซฟเบราว์ซิงเนี่ยเป็นของจีนเทนเซนคื อ, อบริษัทของทางจีนที่เป็นบริษัทใหญ่มากในวงการทั้งหมดอะไรอย่างงี้วงการคอมพิวเตอร์วงการระบบอะไรต่างต่างนะคะทีนี้เนี่ยทางแอปเปิลเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะใช้แต่ เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าไงอืมอืมนะคะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณเขาบอกว่าเขาดูเรื่องของระบบที่เป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของเขานะฮะสัฟฟอรี่มาเป็นเวลานานแล้วแต่ไอโอเอสสิบสามทางแอปเปิลเองได้เพิ่มเทคโนโลยีบัญชีดำของเทนเซ็นต์เข้ามาด้วยนะฮะซึ่งปัญหานี้ก็คือป้องกันในวิธีการคือทางแอปเปิลจะแบ่งปันข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์บัญชีดำด้วยหากให้พูดกันตรงตรงก็คือ ปัญหาก็คือว่าการที่กูเกิลจะได้ข้อมูลของเราไปบ้างมันจะอยู่ในขอบเขตที่พอจะรับได้แต่เทนเซ็นต์นั้นเป็นบริษัทของจีนที่มีข่าวความสัมพันธ์นะฮะกับรัฐบาลจีนทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าข้อมูลของผู้ใช้อัดถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลจีนเขาก็กลัวแบบนี้อา้าวเซฟบราวซิ่งนี่นะฮะจะช่วยป้องกันนะฮะความปลอดภัยนะฮะในการเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างไร <c oughs> เขาบอกงี้เพื่อให้เข้าใจว่า ตัวเซฟเบลซิงเนี่ยเกี่ยวกับข้อมูลของส่วนตัวของผู้ใช้เราต้องเข้าใจวิธีการทำงานของมันก่อนเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะฮะกูเกิลได้สังเกตพบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่เมินานมโนมที่จับผื อ, อเข้าไปที่เว็บอันต ร, รายอย่างพวกเว็บไซต์ปลอมนะฮะเว็บไซต์อันต ร, รายที่มีมาเวรแฝงอยู่กูเกิลเองจึงสร้างฐานข้อมูลรวบรวม URL อันต ร, รายเหล่านี้ไว้พร้อมกับสร้างลุกอัพ API สำหรับการตรวจ SOFT USE URL เวียบต่างๆที่<ม>จะพยายามเข้าถึงหากตรงกับ URL ที่อยู่ในบัญชีดำแล้วมันจะทำการแจ้งเติอนผู้ชัยว่ามันอันตรายนะนะฮะ คุณจะยินยอมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือบางทีแบบว่าจะเข้าเว็บหนีไงแบบเขาไม่ให้เข้าเราจะควรจะสันจะเข้าหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยในทางที่ในทางทฤษฎีแล้วกูเกิลเองก็จะได้ข้อมูลการเล่นเว็บของเราแค่บางส่วนเท่านั้นแม้ว่าการกระทำเช่นนี้จะลดความแข็งแกร่งของระบบป้องกันออกไปบ้างแต่ก็แลกมาด้วยความเป็นส่วนตัวมากขึ้นซึ่งกูเกิลเองก็มีชื่อเสียงมากพอที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกไว้วางใจได้แน่ค่ะที่เทนเซ็นต์เองยังไปไม่ถึงจุดนั้นคือถ้าพูดถึงกูเกิลทุกคนก็จะเข้าใจแต่ถ้าพูดถึงเทน ทุกคนยังไม่เข้าใจาะะคือมันจะมีแค่กลุ่มเป้าหมายบางคนที่แบบอ่ารู้ว่าเป็นบริษัทนี้นะ อ, อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นบริษัทใหญ่จริงๆก็เป็นบริษัทที่เทียบทเทียบเคียงกับกูเกิลเลยก็ว่าได้ครับอืมอืมอืมอ้าวมาดูเรื่องราวนี้กันหน่อย กูเกิลหน่อยนะฮะกูเกิลเองที่ให้บริการกูเกิลแมปนะฮะผมก็ใช้งานประจำคุณผู้ฟังเอาไว้เช็คว่ารถติดไหมติดไหมติดฉันก็เปิดเลยค่ะตอนจะออกจากบ้านก็เปิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินทางที่จะไปถึงออฟฟิศประมาณชั่วโมงครึ่งเลยก็แบบโอ้โหเอาไปเอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ดูเส้นทางก็ถือว่าคล่องขึ้นแล้วก็อัปเดตการจราจรให้เห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนะใช่คือส่วนหนึ่งเขาก็คุยกันว่าไอ้ตัวตัว กูเกิลแมปเองที่เขามีการระบุได้ขนาดนี้เกิดจากอะไรเขาก็บอกส่วนหนึ่งคือมาจากคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละ GPS นี่ไงเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยเขาก็บอกส่วนหนึ่งนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเราก็เปิด GPS กันไว้แล้วก็ตัวกูเกิลเองก็จับสัญญาณจาก GPS นี่แหละคนละคนที่แบบมีการผูกบัญชีอะไรอย่างเงี้ยไว้แบบเฮ้ยคุณอยู่ตรงจุดนี้คุณแบบขับรถนะคุณไม่ได้เดินนะหรืออย่างเงี้ยว่าแบบ เขาก็จะคำนวณให้คำนวณให้และก็ส่วนหนึ่งก็การจะแบบเรื่องของการจราจรที่ทางภาครัฐเองเอามาอำนวยความสะดวกให้แบบดูดูกล้องดูสัญญาณที่แบบผ่านอะไรเงี้ยเหมือนลดวงทางด่วนอะไรเงี้ยก็คำนวณเอาว่าเออรถวิ่งขนาดเนี้ยติดถ้าแบบ เร็วๆแบบไม่ติดอะไรเงี้ยก็จะมีนั่นแหละสีเหลืองสีแดงะนะแต่ตอนนี้ก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่เขาเอามาให้ด้วยนะเป็นโหมดไม่ระบุตัวตนบน Google Map จริงๆปกติเราก็ต้องล็อกอินเข้าไปเนาะอ Google ของของแอนดรอยต้องล็อกอินอยู่แล้ว มันก็จะไปขึ้นกูเกิลทุกอย่างของกูเกิลนะคะรวมไปถึงกูเกิลแมปด้วยนั่นเองที่นี้เขามีประกาศไม่ระบุตัวตนขึ้นมาบนกูเกิลแมปเป็นเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทยอยปล่อยให้อัปเดตก่อนแอนดรอยและแน่นอนนะคะส่วนไอโอเอสเนี่ยยังไม่กำหนดค่ะคุณครประโยชน์ของโหมดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้งานคือบางทีเนี่ยมันขึ้นหมดเลยไงทุกสิ่งทุกอย่างคือเราไปใช้งานเราไปไป เอ่อเปิด GPS ใช่ไหมเราจะไปที่ร้านอาหารร้านนี้มันก็จะขึ้นว่าคุณเนี่ยเคยเซิร์ชอะไรเงี้ย ม, มันก็จะขึ้นตัวคุณด้วยเป็นยูเซอร์ของคุณในกูเกิลนะคะที่นี้เขาบอกว่าอันนี้มันเลยไม่เป็นส่วนตัวการค้นหาแบบนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเปิดโหมดนี้ขึ้นมาแล้วการแม้ระบุตัว ต, วตนข้อมูลจะไม่ถูกนำไปใช้ปรับแต่งในประสบการณ์การใช้งานง่ายกว่าเดิมนะคะแล้วก็ไม่ถูกเอาไปใช้ต่อด้วยวิธีการค่ะวิธีการคือ เ, เหมือน<ช>ประมาณาว่าไม่ต้องติดตามตัวไหมใช่คือถ้าเป็นปกติเนี่ย พอสักพักหนึ่งคุณเคยไปที่นี่ไหมไม่ใช่ใช่ฉันไปคุณเคยมาที่นี่แล้วอะไรอย่างเงยแล้วก็บอกเพื่อนคุณมาที่นี่อ่ามาแล้วก็จะบอกว่าเปิดคุณเดินทางอ่ะสมมติว่าคุณเดินทางจากที่บ้านอ่าจากนู่นนะมีนบุรีนะคุณไปที่คลองหกนะแล้วคุณมาที่ออฟฟิศตรงสุทธิสารนะแล้วคุณไปที่พระรามเก้านะมันก็จะแบบคุณเคยไปที่นี่ไหมอ่าถ้าไปมันก็จะผูกเส้นทางไว้ให้อ่าใช่ใช่ใช่คือแบบเป็นจุดแวะจุดแวะไม่ต้องบอกก็ได้อะไรเงี้ยไม่อยากจะรู้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้ใจมันก็จะช่วยตรงน ไม่ต้องบอกฉลอกฉันไม่อยากระบุโตต้วตนวิธีเปิดใช้ง่ายมากๆนะคะเพียงคลิกที่ไอคอนบัญชี Google Account ก่อนนะคะจากนั้นก็ turn on ค่ะ turn on อินคอนิโต้โหมดนะคะด้วยปุ่มออนจากนั้นก็เริ่มเข้าใช้งานได้เลยค่ะเปิดแค่โหมดนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าเปิดโหมดอะไรอยู่เนี่ยก็ให้สังเกตที่มุมขวาจะเห็นรูปไอคอนที่เป็นอินคอนิโต้เนี่ยแหละแสดงอยู่ว่าคุณเนี่ยเปิดแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเปิดตัวในเรื่องของมาตรฐานการเก็บข้อมูลสำหรับยูทูบกูเกิลกับยูทูบที่ผูกกันนะคะคุณ <c oughs> นะคะ่ะที่จะทำการลบตำแหน่งด้วยคือยูทูบเนี่ยมันก็จะมีแอคทิวิตี้ที่คุณได้ดูเหมือนกัน นะคะแล้วก็ที่จะลบตำแหนง่งประวัติต่างๆการชมอะไรต่างๆมันก็จะไม่แสดงด้วยนะคะในยูทูบเนี่ยแล้วก็กิจกรรมของเว็บต่างๆรวมมาถึงแอปพลิเคชันรวมมาถึงประวัติการค้นหาแบบอัตโนมัตินะคะจะไม่สามารถค้นหาแบบคุณไม่ได่อนุญาตอะ่ะไม่สามารถค้นหาได้นะค ะ, ะระยะเวลาเขาบอกว่าสามสามในสิบแปดเดือนนะคะเมื่อครบกำหนดเข้ามอมูลจะถูกลบอัตโนมัติเลยเหมือนแบบ ร้านเกมอ่ะเรารปิดเครื่องลบอันตโนมัติเลยแล้วอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ย Google Assistant เองเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยเพิ่มเติมสามารถสั่งลบข้อมูลการค้นหาด้วยเสียงได้ค่ะ Hey Google delete the last thing I said, I said to, to you <laughs> ประโยคอยาวจังเลยสำหรับาการลบคำสั่งล่าสุดอันนี้นะคะหรือว่าอีกคำสั่งก็เป็น Hey Google delete everything I said to you last week อาทิตย์ที่แล้วช่วยลบให้หน่อยนะฉันหาอะไรที่จะลบให้หน่อยนะคือประมาณนี้ก็เป็นคำสั่งเสียงแต่ว่าง่ายก็คือคุณกดเขาเ้าไปลบเอง ด, อดีกว่า <laughs> มันอาจจะแบบฟังเราไม่ค่อยออกอะไรอย่างนี้นะคะการประกาศครั้งนี้ของกูเกิลเป็นการแบบประกาศครั้งสำคัญเหมือนกันนะครั บ, รบเพราะว่าเป็นการประกาศในเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่คุณใช้มากที่สุดนะคะคแล้วก็เป็นการจัดการที่ง่ายกว่าเดิมตามนโยบายที่ประกาศไว้ต้นปีว่าเขาจะดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เป็นความส่วนตัวมากขึ้นนั่นแหละนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนของกูเกิลแมปรวมไปถึง ด้วยนั่นเองของกูเกิลมาดูเรื่องราวนี้กันสักหนึ่งนะคะเรื่องของซีรีส์ต่างๆการชมนะครับแอปพลิเคชันที่ยอมที่แบบว่าตอบโจทย์แล้วก็ช่วยในเรื่องของการติดตามข่าวตับความสนุกสนานความบันเทิงเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มใหม่นะฮะไลทีวีเองเนี่ยนะฮะจากที่เป็นแอปพลิเคชันที่ใครจะต้องไปดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเข้าไปดูที่ไลทีวีเขาจะเปลี่ยนเป็นซีรีส์เป็นตอนให้เราดูละทุกละครทุกซีรีส์เองก็ต้อง ถ้าอยู่ในกระแสก็ต้องย้ายมามาลงในแพลตฟอร์มนี้ด้วยหรือเป็นซีรีส์ที่จัดทำขึ้นเองและ ม, มีแค่ในไลน์ทีวีเท่านั้นอ่าคือบางบางซีรีส์เองเนี่ยที่เขาทำเฉพราะในไลน์ทีวีแล้วก็ดูกระแสการตอบรับนะว่า ด, ดีไหมถ้าดีเอาไปดูต่ออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะฮะตอนนี้เขาบอกเตรียมจะลงแอนดรอยทีวีแล้วนะจ๊ ะ, ะคะ่ะ คือชมละครโปรตจากทีวีได้เลยโดยไม่ต้องใช้มือถือเพราะคือปกติเนี่ยดูในจอมันเล็กมากเลยอ่ะในแอนดรอยด์โทรศัพท์ดิฉันไม่ชอบดิฉันจะต่อเชื่อมกับโทรศัพท์แต่ใช้มือถือต้องเปิดมือถือแล้วแต่ผมเปิดเบราว์เซอร์อ่ะผมจะเปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ไปพิมพ์ไลทีวีคือมันยากเนาะค้นหาค้นหาดูดูไปอะไรอย่างเงี้ยมันยากน้องบอกอีกสามนาทีอันเนาะเวลาทำไมผมยังยังดูอ้อเหรออีกยี่สิบนาทีของเราเนี่ยอังโลย์เลยจะแปลว่า มีเยอะใช่ไหมอ่ะเอาสักนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาไลทีวีปรับปรุงการให้บริการรับชมให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะจากเดิมมือแค่มือถือตอนนี้เขาจะยิงไปที่แอร์เพลย์ของแอปเปิลทีวีนะฮะต่อมากรองรับสตรีมขึ้นผ่านโครมแคสต์ะนะฮะล่าสุดไลทีวีดาวนโหลดในแอนดรอยทีวีได้แล้วนะจ๊ะนะฮะใครที่ชื่นชอบละครนะฮะก็สามารถติดตามกันได้สมการดาวโหลดไลทีวีในแอนดรอยทีวีนั้นก็สามารถ มีความสามารถพื้นฐานครบคือสามารถล็อกอินกับบัญชีไลน์เพื่อดึงประวัติการชมที่เคยดูมาได้แล้วนะฮะแล้วก็ค้นหาเนื้อหาแนะนำเนื้อหาที่น่าสนใจนะฮะฟังก์ชันของแอนดรอยทีวีนั้นจะนำเนื้อหาไฮไลท์ต่างๆไปแสดงที่หน้าโฮมของทีวีได้เลยโดยไม่ต้องเข้าแอปน ะ, ะถ้าไม่ชอบก็ปิดไปเลยนะฮะซึ่งท่าทำใ ห, ให้แอปดูทีวีเนี่ยมากขึ้นด้วยแนะนำว่าไลทีวีเปิดให้ชมฟรีนะจ๊ะงั้นก็เวลาชมเล่นในทีวีก็อาจจะมีโฆษณาตั้งตัวสองตัวรอไปหน่อย เขาให้ดูฟรีก็มีโฆษณาหนิดนึงมันก็จะบรรยากาศเดี๋ยวเขาจะแบบอับตัวเองไม่ได้ไงต้องสปอนเซอร์ผมก็จะมีมีมีก็คือเน็ตฟรีก็จะดูไลน์ทีวีก็ดูแล้วก็จะมีแบบซีรีส์ที่ตูดูอยู่ก็คือบางทีดูในทีวีมันไม่ชัดบางทีดูไม่ทันอ่ะก็ต้องกลับไปดูอะไรอย่างเงี้ยดูวันเสาร์คือมันเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งคือจริงๆเนี่ยผู้บริหารของช่องสามชุดใหม่หรือเซ็ตใหม่เนี่ย แบบคนเจเนอเรชันใหม่ก็ะะเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีช่องหนึ่งค่ะคุณเขาบอกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่น่าสนใจมากคือคนเนี่ยบทผู้บริโภคเนี่ยพฤติกรรมเดิมค่ะคือดูโทรทัศน์ดูซีรีส์เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนช่องทางการรับชมแค่นั้นเอง เขาไม่ค่อยรับชมในทีวีเพราะเขาดูไม่ทันคือใช่ใช่บนรถเป็นติดถูกต้องเบอร์คี้แบบเอ้ยดูอยู่แค่ดูบนแบบดูบนรถนี่แหละคืออันนี้มันดูย้อนหลังได้ไงนะคะฝากกันไว้กับไมค์คอมพิวเตอร์ในสัปดาห์นี้นะครับอัปเดตสัปดาห์หน้ามีเรื่องราวอะไรที่เอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าติดตามกันได้นะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดาริสาตรุกุลเง็กซ์พร้อมด้วยคุณปีพงษ์เคนทวายต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ